การพยากรณ์วิเศษอันประกอบด้วยวิธีนำประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายพึงให้เกิดสุดตามายปัญญาด้วยการอย่างลงสู่สุดตะวิสัยทุกอย่างทุประการด้วยปัญญาเป็นความฉลาดในอุบายเป็นเบื้องต้นด้วยลายด้วยสติด้วยวิริยะด้วยการเรียนสรุปก็คือว่าหนึ่งเรียนการฟังการทรงจําการสะสมการสอบถามได้ดีแล้วให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในปัญญาด้วยประการชนี้วิธีการสร้างปัญญานะ้อาสร้างยังไงดี สั่งสมสุดตาข้อมูลนีเยอะเพราะสั่งสมสุดตาเบเสร็จด้วยอะไรดีด้วยสติด้วยวิริยะใช่ไหมเรียนด้วยสติเรียนด้วยวิริยะแต่อย่ายเรียนด้วยตัณหามานาทิถีนึนี่ต้องระวังเลเนี่ยฟังทำด้วยตัณหาได้ไหมฟังได้มานาได้ไหมฟังได้ทิฐีได้ไหมนี่ได้ทําไมไม่ได้ถามว่าอริทกากพิกูลเนี่ยเรียนเรียนจบไหมเรียนพระไตรปิฎกจานานไว้เลยเออทำไมถึงเป็นอลรถกฐูปริ ย, ยัติล่ะ เรียนไหมเนี่ยเรียนแล้วก็ตนเองก็ตกหนากก้าร้องมเรียนอย่าง้ยใช่ไหมเลานี่คือเรียนผิดฟังธรรมะเนี่ยต้องระวังกันเนี่ยต้องดูตรวจสอบใจเราตลอดเวลาไหมเออต้องตรวจสอบเองนิ่ตันหามันเกิดขึ้นในการฟังธรรมไหมทิฏฐิมันเกิดขึ้นไหมมานะมันเกิดขึ้นหมมันเหมือนปัญญาไหมเนี่ยคล้ายปัญญาเขาใอนุญาตญานะสมานุ ป, ปัสสนาเนี่ยนะอย่าไปเป็นตันหา ตรงนี้ก็คือว่าการเรียนการฟังการทรงจำการสะสมการสอบถามด้วยวิธีแล้วให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในปัญญาได้ประการอย่างนี้ก็คือเราเข้าใจเบ็ดเสร็จนะพอเข้าใจข้อมูลคำสอนเบ็ดเสร็จแล้วก็แนะนำคนอื่นเป็นการสร้างปัญญาบารมีเอางีเออ้เมื่อเราเข้าใจพอสมควรเราก็บอกข้อมูลนี้คนอื่นใช่ไหม คนอื่นไปเจริญทานเราบอกเรื่องทานกุศลเขาไปเจริญทานกุศลเรามีส่วนกับเขาด้วยไหมเนี่ยเนยี่ยเขาได้บอกฉะนั้นกลับไปก็ไปบอกลูกบอกหลานให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปบอกผิดถ้าเราบอกผิดแกเขาเขาไปทําผิดเรามีส่วนด้วยไหมเอาแหละแต่เนี้นยเราก็เริ่มจะระวังขึ้นแล้วฉะนั้นเวลาไปบอกก็ต้องระวังอย่าไปคิดอยากบอกอย่างเดียวแต่ให้รู้จริงก่อนค่อยบอกดีไหมอย่างเงี้ยเนี่ยปัญญาให้ชัดเจนก่อนแล้วก็บอกเขาให้เข้าใจ บอกเขารักษาศีลก็บอกให้ถูกบอกด้วยน้าใจอันงามบอกด้วยความตั้งใจอย่าไปบอกด้วยความจำใจหรือจำเป็นจำยอมมันปัญญาไม่เกิดในขณะบอกก็อย่าให้ตันหามันทิถีมันเกิดเพราะตอนนี้เรากำลังจะสร้างบริบทของปัญญาเรากำลังจะพอกพูนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะฉะนั้นทุกอย่างจึงจ ง, จงต้องเกิดขึ้นโดยการที่จะขับเน้นเพื่อให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นและเดินได้จริง นี่เป็นไปด้วยการอย่างนี้ทีนี้ปัญญาเนี่ยนะเป็นปฏิพานที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายปลายทางในสิ่งที่ควรทําและเป็นผู้ฉลาดในความเจริญและฉลาดในอุบา ย, ยาความเสื่อมพึ่งให้เป็นไปตามสมควรแก่ปัญญาดังนั้นอาศัยความเป็นผู้แสวงหาประโยชน์อันหนึ่งผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายทนต่อความเพ่งด้วยการวิตกถึงการสภาวธรรมด้วยขันเป็นต้นก็พึงให้เกิดจินตามียะปัญญาก็หมายความบอกว่า ถ้าเรียนแล้วเนะีเรียนเรื่องขันเรื่องาธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะเรียนเรื่องกระแสของชีวิตจนเข้าใจบริบทของความเข้าใจของรูปของนามเลยนะของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตชัดและสรุปลงในอริยสัจสีได้ด้วยว่าส่วนนี้เป็นทุกขรรสัจนะส่วนนี้เป็นสมุทัยสัจนะส่วนนี้เป็นนิโรธาสัจนะส่วนนี้เป็นมรรคสัจนะนี่นะนี่เข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้พอเข้าใจเบ็ดเสร็จเหล่านั้นก็แปลว่าสั่งสมให้เขาเรียน ให้เขาทรงจำให้เขาสะสมสอบถามอะไรต่างๆก็ว่าไปด้วยวิริยะด้วยสติได้ปัญญาแล้วก็บอกกล่างนี้เป็นต้นนี้เป็นสุตาเนาะทีนี้ไอ้ปัญญาที่เป็นปฏิพานที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายในสิ่งที่ควรทําแล้วกลายเป็นผู้ฉลาดในความเจริญอันนี้แปลว่าเอามาคิดแล้วเอามาคิดเอามาวิจัยเอามาใช้แล้วในชีวิตเนี่ยนะเอามาใช้แล้วก็คือว่าเป็น ไปตามสมควรในปัญญานั้นอาศัยอะไรอาศัยเป็นเป็นผู้สแสวงหาประโยชน์อย่างเราเนี่ยสแสวงหาประโยชน์ใช่โดยเฉพาะเราขับเน้นเป้าหมายที่ไม่ผิดเพี้ยนก็คือปรมัติประโยชน์ก็คือประโยชน์สูงสุดเอาเป็นตัวตั้งกัาไว้ฉะนั้นเวลาเราจะปฏิบัติในทิฏฐาธรรมิกะธรประโยชน์คือประโยชน์ในปนัจจุบันเนี่ยก็อยาให้ขัดกับประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นประโยชน์ในปัจจุบันทําไปนะแต่ระวังไว้ว่ามันขัดปารมาธประโยชน์คือพระนิพานไหมหรือจะน้อมไปในประโยชน์ในภพหน้าไปใย้ขัดกับปรมาถประโยชน์เนี่ยถึงบอกว่าเป็นไปตามสมควรในปัญญาอาศัยความเป็นผู้แสวงหาประโยชน์อันหนึ่งผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายทนต่อความเพ่งก็หมายความบอกว่าด้วยการวิตตกถึงอาการแห่งสภาวะธรรมหมายความว่าถ้าเราจะตรึก ถึงขันตรึกถึงรูปขันถึงเวทนาขันสังสังวาสัญญาสังขารเวียนในขันหรือจะตรึกถึงทานในกุศลจะตรึกถึงศีลกุศลเนี่ยจะคิดเนี่ยจะคิดถึงทานจะคิดถึงศีลจะคิดถึงเนกขมะหรือจะคิดถึงปัญญาเนี่ยพึงให้เกิดจินตามายะปัญญาวิตกเนี่ยนะที่เป็นไปเนี่ยให้เป็นไปกับปัญญา อย่าไปคิดที่เป็นไปด้วยกาโมวิตกใช่ไหมล่ะคิดถึงทานเนี่ยด้วยกามก็ได้กามวิตกก็ได้คิดถึงศีลด้วยกามวิตกก็ได้อย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้คิดถึงทานถึงศีลให้เป็นพวกกลุ่มเนกข ม, มวิตกคิดไปเธอเพราะคิดอย่างนี้ปัญญาไม่ดับแต่คิดถึงกามวิตกเนี่ยปัญญามันดับให้คิดอย่างเมไปไปกับเมตตาอย่างนี้จะส่งเสริมเป็นไปกับปัญญา มีปัญญาเป็นปุเรจาหลิกปัญญานำหน้าอย่าไปคิดในเรื่องของพยาบาทวิตกปัญญามันดับแล้วคิดในการไม่เบียดเบียนคิดในด้านการุณาเนี่ยอย่างนี้เป็นไปกับปัญญานั้นวิตกที่เป็นไปกับการมีปัญญานำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไปกับการคิดส่งเสริมจินตามัยยะปัญญาอันผู้ที่ยังโลกยะปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการกำหนดลักษณะ ทีนี้ถ า, ถามบอกว่าในขณะที่เราตรึกใช่ไหยถามว่าตอนนี้เรารู้ไหมฟังธรรมนะเนี่ยดูขณะที่ฟังธรรมดเออเรารู้ไหมตอนนี้เออศรัทธามันเกิดไหมหรือความไม่มีศรัทธาเกิดวิริยะที่เป็นไปกับกุศลเกิดไหมหรือความเกลียดค้านมันเกิดสติใช่ั้มมันเกิดไหม มุทัศติคือความหลงลืมสติมันเกิดหรือเปล่าดูซิสมาธิเกิดหรือความฟุ้งซ่านเกิดปัญญาเกิดหรือกลุ่มสัมโมหะคือความมืดบอดของจิตมันเกิดก็สังเกตอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าสังเกตลักษณะอะไรเข้าไปสังเกตไอ้ความคิดความตรึกนั่นแหละวิตกนั่นแหละที่มีปัญญาเข้าไปวิจัยแล้วก็จะแยกแยะดูว่าอ๋อเนี่ยใขณะที่ฟังธรรมตอนนี้บุญเกิดหรือบาปเกิดนั่นเองอันนี้กเขาเรียกรู้จักลักษณะของสภาวธรรม การรู้จากลักษณะของสภาวธรรมในเป้าหมายเพื่อจะยกลักษณะเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยของลักษณะธรรมของเหตุผลเหล่านี้ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานี้เป็นรูปนามเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็พิจารณาถึงปัจจัยตามสมควรในเรื่องนี้ไม่ไม่มีใครทำแล้วก็มาพิจารณาที่สุดไม่มีใครทำนะเนี่ย รูปธรรมเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปขันเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายกระใจที่กําลังเป็นไปอยู่มันไม่มีบุคคลที่ทํานะทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยอย่างเงยอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกับปัญญาล้วนๆเลยในะที่จะเข้าไปวิจัยแล้วเห็นไหมว่าจากการเจาะเรื่องทานเรื่องศีลเป็นต้นมาตามลำดับที่สุดจริงๆก็มาคิดถึงตัวสภาวธรรมอยู่ดีใช่ไหมลูกถามว่าเบื้องต้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะ อันนี้วัตถุใช่ไหมนี่ตัววัตถุทานเนี่ยเรามองเป็นวัตถุกรรมก็ได้ใช่ไหมวัตถุทานก็ได้ถามว่าถ้าเราจะสละส่วนหนึ่งคือเราสละตัววัตถุทานนี้ด้วยใช่ไหมะถามว่าบางครั้งสละแต่ใจไม่สละก็มีนะมันไม่ได้เป็นทานอะไรก็มีนะเราสละกันเยอะหมดเลยเอาข้าวเอาน้าเอาผ้าเอารองเท้าเอาแรงต่างไปให้คนอื่นเยอะแยะหมด แต่ไอตัวสละจริงๆมันคืออะไรจาคะเจตนาใช่ไหมลูกจาคะทานน่ยมันตัวสละไอจาคะตรวนั้นน่ยมันสละกิเลสกิเลสที่ยึดโยงวัตถุชิ้นเนี้คือความโลภในวัตถุชิ้นนี้ความต้องการในวัตถุชิ้นนี้ความหวงในวัตถุชินน้นนี้ความอะรายาวนในวัตถุชิ้นเนี้ยไอความที่จิตคิดตัดขาดเพราะเห็นคุณ ของพระรัตนตรัยเนี่ยเห็นไหมตัวสลาจริงๆมันตัวอะไรเนี่ยตัวเจตนาที่มากระตุ้นเตือนกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายกุศลให้ตัดรอนบาปอากุศลและธรรมอลามกที่ชอบประชุมในกระแสะชีวิตของเราเนี่ยให้ขาดลงให้หยุดตัวลงใช่ไหมลราถามว่าเราเห็นลักษณะของสภาวธรรมเหล่านั้นในใจไหมโรถ้าเห็นลักษณะของสภาวธรรมในใจ นั้นจริงๆอันนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของธรรมะหรือสภาพของสภาวาธรรมเหล่านั้นมันปรกากฏชัดในญาณปัญญาพอสมควรที่รู้จักอ้อนี่บุญเป็นอย่างเนี้ยบุญมันเป็นอย่างเนี้ยบุญมันไม่ใช่วัตถุใช่ไหมยอมบรรลวัจิบุญใช่วัตถุเปล่าใช่ใช่ตัวบุญไหมเนี่ยเนี่ยวัตถุเนี่ยใช่บุญไหมไม่ไม่ บุญญาเน้นแปลว่าอะไรอ่ะอัตโนสันตานางปุนาติโสนเทติติบุญญาสภาวะธรรมที่ชำระอะไรชำระขันชำระจิตสันดานี่หมดจอดจากเครื่องเศร้าหมองใช่ไมสภาวะธรรมันั้นเรียกว่าบุญัเรียกว่าปุญญาบุญญานั่น้นี่เป็นวัตถุ บางคนสละวัตถุขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ความเข้าใจไม่เกิดบุญมันจะเกิดได้จริงไหมมันไม่เกิดมันเป็นเรื่องของนามธรรมามันเรื่องความเข้าใจมันเรื่องการสละความยึดโยงความยึดติดใช่ไหมล่ะฉะนั้นตัวนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่มีเจตนาไปกระตุ้นศรัทธาที่แข็งแกร่งขึ้นศรัทธาแข็งแกร่งขึ้นมันสละความไม่มีศรัทธาทิ้ง วิญญาที่แข็งแกร่งขึ้นมันไปสลากโกศชาคือความเกียจค้านน่ยทิง้งสติที่แข็งแกร่งขึ้นไปสลากมุตัสติคือการหลงลืมสติน่ยทิง้งสมาธิแข็งแกร่งขึ้นเพราะเจตนากระต้นยังไงไปสลากความฟุ้งซ่านเนี่ยทิ้งปัญญาที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะเจตนาคือความจงใจและตั้งใจเกิดขึ้นไปสลากกลุ่มสัมโมหะคือความมืดบอดของจิตน่ยทิง้งอันนี้สลาดจริงไห้เนี่อย่างเงี้ยมันสลากอะไรกันแน่ สละธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไอ้ทานไอ้ตัววัตถุทานเป็นสื่อที่จะทำให้เราสละได้เป็นวัตถุเป็นอา ร, รมณะปัจจัยเป็นอุบนิสติยปัจจัยก็ว่าไปที่จะเป็นปัจจัยทำให้เราสละกิเลสในใจทิ้งได้มองเห็นได้ายางยากไหมในีทานเนี่ยยังนี่พูดเรื่องปัญญาปัญญาจะหมดเวลาเลยเนี่ย ใชนี่คือคือปัญญา น, นี่ตอนนี้กําลังจะสอนเรื่องการอแ น, นนะแนําแนะนําในการเดินเขาเดินปัญญายังไงเห็นโทษของธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญายังไงใช่ไหมลกูกอย่าลืมนะว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะสมาธิใช่ไหมสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะสติใช่ไหมสติจะเกิดขึ้นได้เพราะวิริยะวิริยะจะเกิดขึ้นได้เพราะศรัทธาใช่ไหม เห็นไหมว่าพูดมันกระทบกันหมดไหมว่าทาเนี่ยกระทบกันหมดฉะนั้นเหตุที่ไม่มีศรัทธาก็เป็นเหตุปิดปัญญามันเงินไม่มีความเพียรที่ถูกต้องก็เป็นเหตุถึงการปิดปัญญามันเงินนะการหลงลืมสติก็เป็นเหตุปิดปัญญาการฟุ้งซ่านก็เป็นตัวปิดปัญญาแม้ตัวกลุ่มโมหะโดยตรงเลยอาวิชาความมืดบอดก็ปิดปัญญาล้วนๆเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นถามบอกว่าเราจะสละวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับปัญญาไหม ต้องเกี่ยวกับปัญญาถึงจะเป็นเรื่องการเจริญปัญญาเขาเห็นโทษอะไรก็ถึงกล้าสะละเห็นโทษของบาปอกุศลธรรมมันลามมกช่อไหมลูกเพราะบาปอกุศลธรรมลามกเรรนี่ยมันทําให้เสียหายมันทาให้เจ็บปวดในสังสารวัฏวัตถุนี่ยที่จริงมันดีชั่วเลยวัตถุแต่กิเลสในใจของสัตว์เนี่ยไปยึดยองไปยึดติดเขาต่างหาใช่ไหมล่ะอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายทั้ง สัตว์ทั้งหลายที่ได้รับเนี่ยมันมาจากอะไร ม, มาจากดีตเหตุผลมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นอุปสรรคต่างหากมันกลับกลายเป็นปัจจัยทําให้ใจของสัตว์นั้นน่ยถ้าฉลาดชิดหน่อยกลับกลายเป็นเพิ่มบารมีคนที่เจอปัญหามากคือถ้ามองอย่างคนมีปัญญานะีคนที่ประสบปัญหามากกลับได้เปรียบถ้าคนมีปัญญาเนะแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยประสบปัญหามากก็เสียเปียบแย่เลย เราทำไมถึงทำกับฉันได้ไปเลยเดี๋ยวนี้ลำบากลำบากเลยเดี๋ยวนี้นพอจะมองเห็นได้อย่างเนี้ยนี้นิทานฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องของการให้เราทั้งหลายได้เจริญได้ได้ได้เข้าใจในเรื่องของบริบทของปัญญาเยอะเยอะมากมากเลยนี่ที่ประการต่อไปก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้นะ เมื่อรูปนามเกิดขึ้นและดับไปด้วยปัจจัยทั้งหลายตามสมควรในเรื่องนี้ไม่มีใครทําเองหรือให้ผู้อื่นทำถ้าเรามองอย่างนี้ก็แปลว่ามองเรื่องสัตว์บุคคลเรื่องไม่ใช่ตัวตนแล้วที่กละความเกี่ยวข้องก็หมายความว่าโลกยะปัญญาภาวนาปัญญาโลกี้ปัญญาก็ห้านี่พันธะของญาณนะได้กลุ่มของอิทธิวิทยาเนี่ยเป็นปัญญาหมดเลยนะ ทิพจักษที่โสะตาญานเจโตบริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานที่พระเจ้าขอุญานยะถาคุมกัมมูปคายานเออยานาคตังสายามนอันนี้เป็นพวกกลุ่มยานปัญญาเท่านั้นแหละเป็นเป็นปัญญาทีนี้ภาวนามภาวนาปัญญาคือเป็นทั้งโลกยาโลกุตระอันผู้ทําการสั่งสมญานโดยการเรียนการสอบถามในธรรมนะที่เป็นพื้นฐาน เบื้องต้นเขก็เรียนเรื่องขันเรื่องอาญตนะเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์เรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสุบาทเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ตั้งอยู่ในวิสุทธิวิสุทธิทั้ง2ก่อนก็สีลวิสุทธิจิตแต่วิสุทธิอันเป็นรากฐานคือสีลวิสุทธิจิตแต่วิสุทธิก็ต่อไปก็เจริญวิสุทธิที่5ทั้ง5ที่จะทําร่างกายสมบูรณ์ในแก่ทิฏฐิวิสุทธิที่ความหมดจดแห่งทิฏฐิ กังขาวิตรณวิสุทธิ์ที่ก็ความหมดจดแห่งยาณเป็นเครื่องพ้นสงสัยมะขามฆาญานทัศนวิสุทธิที่ความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นว่านี่ทางหรือไม่ใช่ทางปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยาณเป็นเครื่องเห็นปฏิทางปฏิบัติญาณทัศนวิสุทธิ์ทีก็ความหมดจดแห่งยานทัศนาเพราะวิธีการให้สําเร็จภาวนาปัญญาเหล่านี้ท่านก็กล่าวใยพิสดารท่านบอกว่าลักษณะวิสุทธิเเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเลย แต่อะไรเป็นฐานของปัญญาก็ศีเรวิสุทธิกับจิตตาวิสุทธิเห็นไหมว่าถ้าในคำสอนก็ว่าที่บอกสีเลปฏิทฐายานโรสพันโยจิตตังปัญญาจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิคุสโสรืมังวิชตาเยชตันตตนรชนผู้มีปัญญานรชนที่เกิดมาพร้อมกับปัญญาทว่าโดยตรงหรือว่าโดยอัทถาเียนนะนรชนที่เกิดมาพร้อมกับปัญญามีปฏิสนที่ปัญญานะ่ หตีเหตุุกกาปัญญาหรือสัจจทิกฐิปัญญาเกิดมาปุ๊บเนี่ยมาด้วยใจเหตุกกาปฏิสันที่มาด้วยความไม่โลภความไม่โกรธมาด้วยปัญญาทางการเกิดนี่นะนรชนผู้ตั้งอยู่นี้ในเหตุสามนี้แล้วเนี่ยมาเจริญศีลอบรมจิตมาตั้งอยู่ในศีล น, นะนะนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลเจริญจิตแล้วอบรมปัญญา เมื่อตั้งมั่นอยู่ในศีลก็คือตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกสังวศรศีลอินเรียสังวศรศีลอาชีวาปริสุทธิศีลและปัจจะยสันนิสิตาศีลในรายละเอียดยาวเลยนะตรงนี้อันนี้ลักษณะนี้ก็คือว่าเห็นไหมว่าหมดสิทธิ์เลยนะถ้าคุณไม่ได้ถือปฏิสนธิมาด้วยเครศสามการตั้งมั่นอยู่ในศีลการจะอบรมจิตโดยเฉพาะสมาบัติแปให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของคุณไม่ได้ ใชไหมเพราะก็ท่านปฏิเสธนี่คนไม่ได้มีติเหตุการปฏิสนธิเนี่ยคนไม่ได้เกิดมาด้วยเหตุสามทำสมาบัตดเกิดไม่ได้ใช่ไหมในปัจจุบันเพบนะแต่สร้างบา ร, รมีที่เป็นวาสนาภากย์ญาตได้อันนี้ก็ว่าไปอันนี้คืออันนี้ ก, นน ก, นนก็เออให้เข้าใจเสียพอเข้าใจอย่างนี้เบสเสร็วว่าโอเป็นอย่างนี้เองงั้นอย่างเราเนี่ยเอา้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเป็นไตเหตุการหรือทวีเหตุการแต่สองเนี่ย เพราะว่าสองสองเหตุนี่นอนคงไม่ใช่เหตุกปะปฏิอนติใช่ไหมล่ะไม่ใช่แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหบุญมากเลยที่นั่งๆอย่ไม่ใช่ธรรมดานนเนี่ยเนี่ยบุญมากไหมถือว่ามีบุญฉะนั้นก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญมากฉะนั้นความเป็นผู้มีบุญมากตรงนี้ก็คือว่าพิจารณายัางไงดีก็พิจารณาว่าโอ้เนี่ยไม่ธรรมดานเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษยินต์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยใช่ไหม ก็เริ่ม อ, อ, อย่ไ ม, ไม่ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่มานะอย่างเดียวก็ไปนั่งภูมิใจแล้วไม่เคยทาอะไรต่ อ, อนี่เสียเลยใช่ไหมแต่ว่าเไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องมาเจริญอะไรมาเพิ่มภูอบรอมจิตในที่นั้นเป็นชื่อของปฐมฌานทุน ต, นติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วอรูปฌานนะฉะนั้นอย่าปฏิเสธสมาธทิที่เป็นที่เป็นให้สังเกตนะ กรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาฌานปัญญาอย่าปฏิเสธฌานสมาบัติเด็ดขาดในข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นการหักชินจักของพระชินเจ้าเลยนะอยา่าปฏิเสธนะไอ้ยสมาธิไม่ดียุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งเลยนะเพราะว่าสมาทิงพิกเวพาเวถาสมาัยโตยะถาภูดังประชานาติเนี่ย ใช่สมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดนั้นหมายสมาธิเป็นประทาฐานของวิปัสสนาปัญญานส่งหมายไว้งอย่างนั้นเลยนะฉะนั้นสมาธิไม่ว่าจะเป็นอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิล้วนเป็นประทาฐานของวิปัสนาปัญญาได้นี่ต้องพูดกลุ่มที่เข้าใจแล้วกลุ่มที่เข้าใจแล้ว ก, ก็ต้องถามว่าทำยังไงนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องถามบอกว่าถามว่าสมาธิมันน่าเกลียดตรงไหนแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าประกาศสิกขาสามเท่าไหร่ใช่ไหมประกาศสิกขาสามมีสามใช่ไหมแล้วก็พูดว่าพระสินวินยัยอภิปดกนี่เป็นศีนใช่ไพระสุตตันตปิฎกนี่เป็นสมาธิใช่ไหมอภิธรรมปิฎกเป็นปัญญาใช่หรือไม่ ถามว่าสิกขาสามของพระาศาสดาในาศาสนาของพระชินาเจ้า ม, มีอยู่สามใช่ไหมนี่คือมีตัวาศาสนาถามว่าคุณจะบรรลุธรรมด้วยศิกขาสองได้ไหมด้วยศีลกับปัญญาเนี่ยจะบรรลุได้หรือไม่ใช่ไหมแล้วจะเอาเอกาตาไปไว้ไหนใช่ไหมล่ะเอาองค์มรรคแปดใช่ไหมการจะบรรลุก็ถามเขาว่ใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเป็นศีลใช่ไหย สมาวิมมะสมาสติสมาสมาธิเป็นสมาธิสิกขาใช่ไหมสมาธิถิสมาสังปาเป็นปัญญาสิกขาใช่ไหมฉะนั้นคุณจะฉีกองมารคทิ้งสแต่ให้เหลือองคมารคอีก5แล้วจะบรรลุได้จริงหรือไม่เพราะการบรรลุธรรมบรรลุได้ด้วยมาร์คสมังคีนะฉะนั้นอย่าปฏิเสธสมาธินั่นเป็นกา ร, รหักชินจักของพระินดาจ้ อย่าทำ <c oughs> ก็อย่าทำเพราะเรากล่าวตามคำสอนด้วยแล้วก็โดยข้อปฏิบัติแล้วมันทำไม่ได้แม้คณิกาสมาธิก็ชื่อว่าสมาธิแม้อุปจารสมาธิก็ชื่อว่าสมาธิและอย่าลืมนะคณิกาสมาธิที่เป็นประฐานแก่วิปัสสนานั้นเน่เป็นคณิกาสมาเป็นคณิกาสมาธิที่เป็นวิปัสสนาด้วยนะเพราะเป็นคณิกาสมาธิ หรือเป็นสมาธิที่เป็นฐานของวิปั ส, สนาได้ถ้าถามบอกว่าแล้วสมาธิเนี่ยคนที่เขาได้สมาบัตมาก็ดีคนที่เขาได้อุปจารสมาธิมาก็ดีแล้วเอาสมาธิเป็นประทัดฐานอย่างการเดินวิปั ส, สนานั้นน่ยเขาเหล่านั้นกลับกลายเป็นผู้ที่มีกิเลสก้มรุมน้อยที่สุดโอกาสที่ความคล่องแคล่วแห่งชาวนะที่เป็นไปกับยานปัญญามันก็ชัดเจนที่สุดนะ แต่คนที่มีราคะโทสะโมหะมีกลุ่มนิวรธรรมแทรกอยู่ในใจมากบุคคลเหล่านี้ต่างหากที่ชาวนาที่เป็นไปกับกุศลมันเดินได้ยากเพราะมันอืดกุศลมันเดินไม่ค่อยสะดวกฉะนั้นคนที่ชำระจิตให้ปลอดโปร่งได้อุปจารลสมาธิและอ ป, ปะมาอปนาสมาธิเขากลับใช้สมาธิเป็นฐานและเดินนิปัสนายานได้คล่องแคล่วเมื่อเขาเดินนิพัสนายานได้คล่องแคล่วแต่ยังไม่สามารถประหารกิเลสได้ เมื่อเขาล้าเขาสามารถมาหลบอยู่กับสมาธิได้จะทํำยัำยงไงใช่ไหมวิธีการก็ก็ไปดูในทเทวทาวิตตกสูตรในวชิมานิกายใช่ไหมก็จะเห็นชัดเลยวิธีการปฏิบัติที่อาจารกล่าวไว้ชัดเลยอาภัยถามไปเลยในโอกาสนี้ขอรบกวน <c oughs> อย่างนี้เจ้าคะ่ะเ <c oughs> นื่องจากว่าพระธรรมมัน้งดงามเหลือเกินนะคะแล้เราก็ฟังกันอย่างเต็มกําลังจริงๆองค์ธรรมก็มีมากนะคะ อยากจะกราบพระอาจารย์ดังนี้ค่ะขอให้ช่วยพาพวกเราเหมือนเข้าห้องปฏิบัติการหน่อยค่ะว่าเราจะใช้วิธีอย่างไรในการอธิษฐานปัญญาบารมีเพื่อเป็นโอกาสในการที่ผู้ที่มีโอกาสมาฟังวันนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะไปรับฟังพระธรรมที่ขยายได้มากกว่านี้จะได้ถือไปใช้ได้ในแต่ละกรณีเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ เ้าครับในกรณีอธิษฐานเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของของด้านปัญญาการอธิษฐานเน่ยพอเอินก็คือเวลาก็งวดเข้ามาแล้วก็ที่จริงที่แรกคิดว่าจะเบรกก็คงจะเบรกไม่ทันแล้วเดี๋ยว ก, ก, ก็ก็สรุปลงไปเลย <c oughs> ในทางด้านของอธิษฐานเนี่ยคือมีความตั้งมั่นในโพธิสมภารใช่เป็นลักษณะอธิษฐานเนี่ยทีนี้จาถามบอกว่าอธิษฐานเนี่ยมีความตั้งมั่นลักษณะของการอธิษฐานที่เรียกว่าตั้งมั่นเป็นลักษณะเนี่ยตั้งมั่นในอะไรก็บอกว่าตั้งมั่นในโพธิสมภาร ก็หมายความตั้งมั่นในการที่จะตัดสู้ท่านถึงบอกว่าหนึ่งปัญญาเนี่ยนะปัญญาณนะปมัดเชยยะได้แก่ไม่พึงประมาทไม่พึงประมาทในกรรมสกตาปัญญาไม่พึงประมาทในวิปัสนาปัญญาไม่พึงประมาทในฌานนปัญญาไม่พึงประมาทในมรรคปัญญ า, าไม่พึงประมาทในผลปัญญาอีกอย่างนึงไม่พึงประมาทในวิปัส ปัจเจเวคณาปัญญาใช่ไหมล่ะทีนี้ไม่พึงประมาทเมื่อไม่พึงประมาทในที่นั้นหมายความว่าว่าปัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลและสมาธิเป็นต้นเพื่อจะได้แทงตลอดปัญญาในอธิษฐานจะไหมล่ะ ทีนี้การที่เราจะแทงตลอดปัญญาในอหานผลได้นั้นมันมาจากปัญญาที่ฐานนางคือความตั้งมั่นที่จะทําให้ปัญญานั้นประชุมในกระแสชีวิตของเราได้จริงๆเริ่มต้นจากดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าคือปัญญาที่เป็นกรรมสกทาปัญญาปัญญาที่ไปเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมปัญญาที่ไปเข้าใจเรื่องเหตุปัญญาที่จะไปเข้าใจเรื่องผลใช่ไหม เช่นปัญญาที่ไปเข้าใจในเรื่องของทานว่าการให้ทานใช่ที่ถูกต้องและเป็นไปแก่การที่จะบ่มเพราะซึ่งบารมีธรรมเป็นไปที่จะบ่มเหมืนการที่จะได้มาซึ่งโพธิเช่นทานที่จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณทานที่จะเป็นปัจจัยแก่ปจเจกโพธิญาณทานที่จะเป็นปัจจัยแก่สาวะขโพธิญาณก็ไม่พึงประมาท ปัญญาคือความเข้าใจเรื่องเหตุที่ประกอบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าถ้าใช่ไหมเข้าใจเรื่องโอกรรมคือการเจริญทา น, นกุศลกักกรรมในการที่ไม่ให้ทานเห็นไม้มไปเข้าใจเลยนะว่าเข้าใจเหตุสองอย่างมันต่างกันไง การไม่ประกอบเหตุคือการประกอบเหตุคือเจริญทานที่ถูกต้องกับการประกอบเหยดที่การไม่ให้ทานหรือการให้ทานที่ผิดพลาดผลมันจะต่างกันนะเ อ, อผลจะต่างกันถามว่าต่างกันตรงไหนเราจะระดมทานระดับไหนก็ได้แต่อย่างสูงสุดใช่ไหมเราอาจจะได้จักระพัฒสมบัติก็ได้สักกะสมบัติเป็นเท้าสักกะก็ได้ มารสมบัติได้สมบัติของมารในชั้นปารานีมิสวาสสวัสดีก็ได้พรห ม, มสมบัติสมบัติของเท้ามหาพรหมเป็นต้นก็ได้แต่เมื่อเจริญทานที่ไม่มีปัญญาที่มีวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่มีวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นเป็นประทัดฐานให้ถูกต้องแล้วจักไม่เป็นไปแก่ปัญญาจักไม่เป็นเขตแห่งการประชมปัญญาในหายะผล เมื่อไม่เป็นเหตุแห่งการได้ปัญญาในหัตถผลถามว่าต่อให้เราได้สมบัติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในที่สุดจริงๆเราก็เป็นได้แค่ปุตุชนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นเท้าสักะกนะหรือว่าเป็นจกักรพรรดิที่สุดจริงๆก็ยังถูกยึดโยงด้วยเชือก จีจถูกกระชากลงในใบยัูมูอยู่ดีมันก็ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เข้าใจไหมล่ะนี่ไงการที่ไม่มีปัญญาให้ถูกต้องในการให้ทานให้ไปเถอให้ไปให้ไปก็ยังไม่พ้นกับคำว่าภาละบปุดุชนหรืออันทะปุดุชนอยู่ดีก็ยังเป็นผู้ที่มืดบอดเป็นผู้ที่มืดบอด แล้วก็ต้องเวียนกลับมาในสังสารวัฏแล้วก็มาเจ็บปวดในสังสารวัฏอีกแล้วก็ถูกกระชากลงในไบยพภูมิอีกนี่ไงเห็นไหมว่าความไม่เข้าใจว่าเดินทานกุศลไม่เป็นมันก็เดินออกจากเส้นทางของสังสารวัฏไม่ได้มันก็วนอยู่เนี่ยแหละมันก็วนด้วยอํานาจของกิเลสวัฏใช่ไหมกรรมวัดแล้วก็วิปากวัด ไอ้วตัตตาตอนนี้ก็พาวนอยู่ในกามมพบรูปพบอัลลูปพบวนไปดิแล้วก็กลับมาอบายภูมิที่อยู่เดิมๆย่อดีก็ไปไม่รอดนี่ไงทานที่ขาดอะไรขาดกรรมมาสกตาปัญญาขาดวิปัสนาปัญญาแล้วก็ไม่เป็นปัจจัยแก่การจะได้มาซึ่งปัญญาในอรหัตผลนี่นี่ความไม่ไม่ฝังแน่นใน ในไม่ประชุมไม่อธิษฐานไม่อธิษฐานปัญญาให้ประชุมในกระแสชีวิตให้ตั้งมั่นจะเริ่มจากเริ่มตั้งมั่นในจากไม่ประมาทจากไม่ประมาทในคำสอนของพระชินาเจ้ากล่าวว่าอย่างไรบุคคลเช่นลายชื่อว่าไม่ประมาทในปัญญาบุคคลเช่นใดชื่อว่าประมาทในปัญญากุลบุตรใด บวชในศาสนาของพระชินเจ้าเลี้ยงชีวิตของตนด้วยอเนสนาการสแสวงหายังไม่ประเสริฐยสอย่างไเงเหมอดูเป็นต้ น, นึ่งไม่สามารถตั้งความคิดให้เกิดขึ้นโดยสมควรแก่การบวชได้ท่านเรียกว่าบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้ประมาทในปัญญาอีกอย่างหนึ่ง บุคคลบวชในศาสนาแล้วเป็นผู้ประมาทอยู่ไม่มีศรัทธาใช่มมีศรัทธาแบบปลอมๆวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบปลอมๆเนี่ยศรัทธาแบบปลอมๆก็ไม่สามารถจะออกจากทานศีลภาวนาปลอมๆได้ไหมวิริยะก็ไม่ออกไม่สามารถจะออกจากอสัธิยะความไม่มีศรัทธาได้วิริยะอย่างปลอมๆก็ไม่สามารถออกจากโกศชาความเกลียดค้านได้ สติอย่างปลอมๆก็ไม่สามารถออกจากมุทตตสติคือการหลงลืมสติเป็นต้นได้สมาธิอย่างปลอมๆก็ไม่สามารถออกจากอุทธจารความฟุ AL, ้งซ่านเป็นต้นได้ปัญญาอย่างบลอมๆก็ไม่สามารถออกอีกกลุ่มสัมโมหะคือความลุ่มหลงมัวเมาเป็นต้นได้ทีนี้การเลี้ยงชีพที่พระเจ้ารังเกียรก็คือการพูดโกหกการหลอกลวงการเป็นหมอดูการทำตนเป็นคนรับใช้การแสวงหาลาบได้ล่าการให้ปืนการให้ดอกไม้ การให้พรมะอีกเยอะเลยการดูเลือกกันต่างๆการส่งทําตนเป็นทูตบุคคลบวชในศาสนาของพระิชินเจ้าแล้วตั้งมั่นในศีลเรียนพุทธพจน์สมาทานทุดงที่เหมาะสมยึดเอากรรมฐานที่สมควรแก่จิตอาศัยเสนาสนะที่เหมาะสมทําบริกรรม จเจริญสมถวิปัสนาอยู่ตั้งใจว่าเราจะได้อรหัตในวันนี้เราจะได้อรหัตในวันนี้ทีเดียวบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าบวชในพุทธศาสนาไม่ประมาทด้วยปัญญาบุคคลนี้บวชในศาสนาได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตตามแบบนี่นะออต้นแบบธรรมคือยานแห่งอรัตมรักษและธรรมคือยานในอรัตผลพึงทราบเป็นบุคคลที่หนึ่งชื่อว่าบวชในศาสนาของพระชินเจา้าตรงนี้ก็คือว่าอันนั้นท่านบอกถึงภิกษุที่ทีนี้อย่างเรา คำว่าไม่ประมาทในปัญญาเนี่ยไม่ประมาทก็คือการสมาทานให้ตั้งมั่นว่าเราจะเจริญปัญญาที่เป็นกรร ม, มสกตาปัญญาเป็นต้นที่ไม่ให้ฆ่าศึกคือกลุ่มความมืดบอดเนี่ยเข้ามาเป็นธรรมที่มาปฏิปักษมาทำลายปัญญาก็แปลว่าตราบใดเรายังไม่บรรลุ พอที่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ถอนปัญญาจะไม่ถอนความตั้งใจในการที่จะเจริญปัญญาทุกวันทุกวันเลยนะฉะนั้นฝังอัธยาสาัยให้เป็นไปกับปัญญาที่ฐานนังให้มั่นคงเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาปัญญาเนี่ยให้เข้าใจเหตุและผลให้ชัดให้เข้าใจบุญและบาปแยกแยะให้เป็น ให้ทานก็จะพิจารณาให้เป็นไปกับปัญญารักษาศีลก็ให้พิจารณาให้ปัญญานำหน้าบําเพ็ญเดกรรมก็ให้มีปัญญานำหน้าเป็นต้นเพราะทุกอย่างที่ทํามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมดังนั้นเมื่อเป็นกรรมแล้วเนี่ยเราก็แยกแยะว่าอันนี้เป็นกุศ ล, ลกรรมหรืออกุศลกรรมใช่ไหมทีนี้กุศลกรรมที่เราทํานั้นก็ต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การไปไประชุมปัญญาในอราถผลนะที่มี อนุปาธาปนิพผานเป็นไปในเบื้องหน้านี่ใช่ไหมเล่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่เราจะหยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ชีวิตวันนี้แต่ปัญญาคือเป้าหมายที่เราประชุมในกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นก็คือเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัดเมื่อเข้าใจกรรมผลของกรรมเข้าใจเหตุและผลขเข้าใจหลักปฏิจจะชัดเจนใช่ไหมหลักปรจชญาการหลักเหตุผลหลักปัจจยาการเหตุหลักปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ปัจจัยปัจุบันทั้งหลายเหล่านี้ชัดเจนแล้ว เมื่อเข้าใจหลักตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้รู้จะสมาทานกรรมตัวนี้ปัญญาที่เป็นคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวคือวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงสมาทานทุกครั้งตลอดว่าจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ได้วยการฟังยังไงด้วยการเรียนเด้วยการศึกษาด้วยการพินิจพิจารณาด้วยการสอบถามในเรื่องเหล่านี้ทุกวัน วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นจะไม่ยอมให้ปัญญาหลุดไปเลยใช่ไหมถ้ามันหลุดไปก็จะเริ่มสมาทานตั้งมั่นใหม่ตั้งมั่นใหม่ไปเรื่อยๆที่สุดจริงๆเนี่ยเป้าหมายเราคือการประชุมปัญญาในอราธผลใช่ไหยล่ะวันนี้ปัญญาในอราธผลยังไม่เกิดเรานิ่งนอนใจได้ไหมไม่ได้ต้องสมาทานยังการสมาทานคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรเป็นปฏิบักษต่อปัญญาเราจะทาลาย เราจะไม่ให้ปัตธรรมที่เป็นปฏิบัติกับปัญญามาบัดมาบดเสลายความซึมเศร้าวความเหงาหงอยก็จะทําลายออกไปความเป็นผู้หลับง่ายทั้งหลายเราก็จะทําลายทิ้งไปความเป็นผู้ฟุ้งซ่านทั้งหลายเราก็จะทําลายทิ้งไปใช่ไหมแล้วก็สมาทานตั้งมั่นเอาไว้ไม่หวั่นไหวแล้วเก็บเกี่ยวปัญญาทุกวันทุกวันแล้ววิจัยแล้วก็คิดที่สุดจริงๆให้มนุษย์การ ตลอดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความโง่ใช่ไหมล่ะความโง่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือความไม่เข้าใจในสภาวธรรมนี่แหละมันน่ากลัวมากมันอย่าลืมนะให้ทานฉลาดนี่เออให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นแต่ไม่มีปัญญามันไปไม่เป็นเลยเนอะตอเนี้ยเอางี้นะถามยมวรวัตรลูกก็สวยทรัพย์ก็เยอะ แต่ปัญญาอ่อนเอาไหมล่ะนี่ไงมันยุ่งเลยนะเนี่ยรูปสวยรวยทราบแต่ปัญญาอ่อนเอาไหมล่ะท้ออะไรมันโมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันเสียหมดเลยนะฉะนั้นถ้าขาดปัญญาอย่างเดียวเนี่ยยุ่งแล้วชีวิตจะไปยังไงใช่ไหมล่ะแล้วจะต่อทานกุศลอย่างไงก็ไปไม่ได้ เพราะความไม่เข้าใจในทานในะกุศลฉะนั้นให้เป็นคนรังเกียจความขาดปัญญาเมื่อสรังเกียจความไม่มีปัญญาก็ต้องรังเกียจว่าทําอะไระสภาวะอะไรนะที่จะมาทําลายปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราศึกษากันมาแล้วเนี่ยอะไรละ่ะความริษยาทําลายปัญญาก็อย่าให้เกิดโทรศัทมันทําลายปัญญาก็อย่าให้เกิดพรากลุ่มกลางวิตกพยาบาทวิตกนี่แหละิหิงสาวิตกเนี่ย กุ่มเหล่านี้ทําให้ปัญญาดับทําให้ปัญญาบอดทําให้ความมืดบอดของปัญญามันเกิดใช่ไหมกรรมฉันท่พยาบาทีนัมิทา้าวุธเจากุกุจาวิจิกิจชาสภาวะเหล่านี้มันทําให้ปัญญาดับก็อย่าไปสมาทานแต่จงสมาทานปัญญาให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเกิดขึ้นมาว่าวันนี้ได้ปัญญาอะไรบ้างวันนี้ได้ปัญญาอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้กรรมสกุตาปัญญาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตหรือ ย, ยงัง วันนี้ยกกรรมสกทาปัญญาเป็นปัจจัยแก่วิปัสนาปัญญารู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้รูปนามตามความเป็นจริงบ้างหรือยังรู้ความไม่รู้สภาวะลักษณะของสภาวธรรมเหล่านี้บ้างหรือยังศรัทธามีลักษณะอย่างนี้มีกิจอย่างนี้มีอาการปรากฏอย่างนี้เขตใกล้ของศรัทธาอย่างนี้แล้วยกศรัทธาขึ้นมาประชุมสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามอำนาจของใครบ้างหรือยัง อย่างนี้มันเรื่องของความเข้าใจนี่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าจริงๆจากการเข้าใจกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะเขาก็ยกขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งก็พิจารณาวันนี้ปัญญาได้หรื อ, อยังตื่นขึ้นมาโดยสํานวนทําไงดีก็กรอบทรายขึ้นมาหนึ่งกรรมมือวันนี้จะขอเก็บความรู้จากใช่ไหมพระไตรปิฎกจากพระเจ้าเท่ากับเมล็ดทรายใน มือนี่แหละนี่เป็นสมาทานไหมเป็นสมาทานโอ้หวไหมเนี่ยไม่ได้ซายจังกรรมือ อ, มอย่างนี้ไหวไหมเราคิดอย่างเงี้ยมีก็ถอดใจนั่นเราจะต้องจะต้องเก็บเกี่ยวปัญญาทุกวันเพราะเพราะความขาดปัญญานี่เป็นความสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะใช่ไหมเล่าฉะนั้นแต่ทำไมเราสร้างเหตุท้องการขาดปัญญาเรา ก็สมาทานปัญญาทิฐานหนังให้ชัดนี่คืออธิฐานฉะนั้นการอธิษฐานก็คือคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะใดๆที่จะสามารถมาครอบงําเราไม่ให้ครอบงําแต่เราจะทําปัญญาเด่นขึ้นแต่ปัญญาจะเด่นขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิสมาธิจะเด่นไม่ได้ถ้าไม่มีศีลศีลจะเด่นไม่ได้ถ้าทานกุศลไม่เข้าใจเริ่มชัดขึ้นเห็นไหมล่ะ จุดความเชื่อมโยงของคําสอนเหล่านี้ก็เริ่มมีการประคับประคองทําให้เกิดขึ้นได้มีอันครอบงําค่าศึกของของการที่จะบรรลุเป้าหมายคือพันิพานถ้าเราไม่สามารถประชุมปัญญาในอหิาตผลเราก็ไม่ได้นิพานใช่ไหมแล้วฉะนั้นจะต้องไม่ให้ธรรมะที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญามาทําลายปัญญาประการต่อมาก็คือว่ามีการไม่หวั่นไหวในค่าศึกถ้าได้ยินข่าวว่าโลภะมาแล้วก็ไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นไหวใช่ไหมล่ะได้ยินข่าวบอโอ้โหเนี่ยโลภะกาลังมาแล้วโทสะกําลังมามันยกกองผลมาใหญ่โตมากก็ไม่หวั่นไหวหวั่นไหวไหมถ้าเจตนามันกระตุ้นโลภะมาอย่างรุนแรงไม่หวั่นไหวถ้ามันกระตุ้นโทสะมาแล้วหวั่นไหวไหมถ้าเราจะต้องไปเจอกับคนที่เราจะต้องโกรธเนี่ยเอาที่กองทัพมาหือมาขนาดนั้นน่ยหวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาไหม เราจะทํำยังไงไปสู้เขาเห็นไหมเนี่ยคือธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ยกคําว่าธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเนีแ่แปลว่าบางทีไม่เกิดในใจเราอย่างเดียวก่อนนะมันไปเกิดกับบุคคลอื่นแล้วมันมาหาเรานะเราจะทํำยังไงธรรมะที่เป็นปฏิปกักษ์เนี่ยมาในรูปแบบต่างๆอ่ะบางคนก็มาในรูปแบบของความโลภมาแบบมานะมาแบบทิฏฐิมาเลยใช่ไหมเพื่อจะมาทําปัญญาของเราให้ดับเราจะทำยังไง แต่ที่เกิดในตัวเราก็โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะเนี่คือว่าไม่หวั่นไหวในฆาศึกฉะนั้นถ้าอธิษฐานนะทำในแข็งแรงนะอธิษฐานปัญญาอธิษฐานที่ประชุมปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวต่อฆาสึกที่จะมาทําลายปัญญาไม่หวั่นเรารู้แล้วแต่ก่อนเราไม่ทราบว่าใครเป็นฆาศึกใช่ไหมล่ะ มาวันนี้เราทราบแล้วว่าใครเป็นข้าศึกของปัญญาถ้าสถานการณ์ก็คือแต่ก่อนเราไปรบกับใครก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่มาณวันนี้มันเปิดหน้าไพ่มองหน้ากันแล้วยังไหมมันเปิดหน้าออกมามองตากันแล้วตอนเนี้โลพาเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญาทิฏฐิมานะก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญาโทสะอิสามาเฉริ่ยกุกุจาทั้งหลายนี่เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญา โมหะหีริกาโนะตปาอุทะจักก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติกับปัญญาชีนมิทาก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญาวิจิกิจฉาก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อปัญญาใช่ไหมล่ะถ้าเรามองกลุ่มเหล่านี้ออกก็เอ๊ะวันไหวไหมถ้ทรุ้รู้หน้ารู้ตาเขาางนี้ซึ่งเราเคยยอมก็ามาตลอดเนี่ยแต่วันนี้เราจะอธิษฐานบัญญาให้ประชมในกระแสชีวิตให้มั่นคงเรามาวันนี้เราเรากลัวเขาไหม บางทีมันมาในฐานะพ่อใช่อย่าไปฟังธรรมเลยไปเที่ยวกันหนูบ้างสิจะว่าไงปัญญาจะว่ายังไงปรึกษาปัญญาที่เมื่อเจอสถานการณ์จริงอย่างนี้ทำางใช่ไเดี๋ยวพาพาไปเที่ยวหน่อยใช่ไหมล่ะจะทำยังไง ได้ลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมบางทีมันไม่ได้มาแบบตรงๆนะแต่มันมาแบบปัจจัยแวดล้อมเราจะทํำยังไงเราสมาทานให้มั่นคงเราจะตั้งมั่นในศีลใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาเอาศีลไม่อยู่อีกนะอย่าลืมนะฉะนั้นต้องสมาทานต้องเกิดจากความเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างเนะี่ยมันจะบีบคั้นก็มาหมดนะเมื่อเมื่อท่านผู้นั้นเริ่มรู้จักหน้าตามัน เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็คือเด็กอมมือคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าใครบีบบังคับเราใครใครใครปกครองเราอยู่ใครครอบงาเราอยู่ใครบงการกระแสชีวิตเราอยู่แต่พออยู่ต่อมาพอเราฟื้นคืนโศกมาได้เนิดนึงเริ่มรู้คำสอนว่าเราคือธาตุของกิเลสตัณหาเราถูกทำให้ปัญญาดับมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏพอเริ่มได้ข้อมูลจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า กล้าพอหรือเปล่าที่จะสมาทานปัญญาให้ตั้งขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงใช่ไหมเราเมื่อเบสเสร็จมาเนี่ยมันจะมาทุกรูปแบบจะทำยังไงมันมีเครื่องล่อเตรียมไปหมดนะกลัวไหมแล้วบอกไม่กลัวใช่ไหมแต่เราก็ไปนั่งยอมทุกวันทุกวันในท่ยทังนว่าไงที่จอยใช่ไหมก็ไปนั่งยอมทุกวันฉะนั้น สิ่งต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความเข้าใจล้วนๆหนึ่งถ้าไม่เข้าใจที่สุดเราก็ไปยอมกัาทุกอย่างพอกลับมาหาพระเดจจ้าทีมาแบบสะบักสะบอมมาถึงกับกาเยนวาจายวเจตสาสุเทกุคำมังประกตังมายายังพุทโธบริการนตุอจจันตังการันตเลสังเว ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าก็ทําแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระเจ้าโปรดงดซึ่งโทษร่วมเกินอนนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วประกาศเป็นทาตของพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆพอหลุดต่อหน้าออกจากพระพุทธเจ้าไปหน่อยก็เป็นทาตของกิเลส ท, ทั้งวันเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยกลายเป็นประเพณีในการสรารภาพวันๆๆไปเลยนี่ไงสมาทานปัญญาเข้าใจอย่าง ถ้าเรายัางไม่ชัดเจนที่สุดริงเราก็จะตกเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของกิเลสแล้วก็ถูกเขาบงการชีวิตอยู่แล้วแล้วเราแล้วเลฉะนั้นถึงบอกความไม่หวั่นไหวเนี่ยต่อข่าศึกเป็นผลมีอะไรเป็นเหตุใกล้พระนิพพา น, นใช่ไมปัญญาในอรหัตผลเป็นเหตุใกล้นั่นเราตั้งมั่นไว้ใช่ไหม กระตุ้นเตือนะวันนี้ปัญญาในอรหัตผลปัญญาที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่มีอนุปาธาปริญนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรื อ, อยังนิพพานเหล่านี้เคยเกิดขึ้นไหมในความฝันเราก็ยังไม่เคยเจอเลยนะฉะนั้นเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะประมาทไม่ได้เราจะหยุดนิ่งไม่ได้เราจะต้องเพิ่มปูนข้อมูลให้มากใช่ไม มันใกล้หรื อ, อยังตอนนี้ยังมีมีความรู้สึกไหมบอกว่าอยู่แค่เอื้มหรื อ, อยังมีความรู้สึกว่าออ้เนี่ยสภาพของความพ้นทุกข์เนี่ยอยู่แค่เอื้มเราต้องได้แน่ชาตินี้ได้แน่ถ้าอย่างตามคำนวนเขาบอกพรุ่งนี้ได้แน่วันนี้ได้เนี่ยมันฮะอ๋อที่เขาคิดอย่างนี้เขาเขา มันเป็นอย่างนี้ยอมมันคนที่เขาทํางานเนี่ยคนบางคนเนี่ยเวลาเขาเขาทํางานประสบความสําเร็จแล้วแต่เขารอรางวัล น, น่ยเขาเขารู้แล้วว่าอีกอีกขั้นตอนไม่มากเลยเขาจะได้เขาก็เลยหวังอย่เลยที่ต้องได้เอาเพอเป็นนัดหมายอาไม่ได้ไม่โอนเงินให้เราสัทีเอาก็เป็นนัดอีกทําเหตุเรื่องนัดอีกไม่ได้อยู่เลยแต่เขามั่นใจต้องได้แน่ มันยังติดขัดบางอย่างอยู่เขาแก้ไขไปเรื่อยๆเอาวันนี้จะได้เนี่ย เ, เลื่อนไปเลยวันนี้จะได้เนี่ยเหมือนกันคนที่เ็าบอกได้เนี่ยวันนี้แปลว่าข้อมูลเ็าเต็มแล้วแล้วเขาระดมความเพียรระดมศีลสมาธิปัญญาจนใกล้สุดแล้วแต่อย่างเรามันยังไม่ถึงเขาหาอย่ายงเพราะเหตุที่เราประกอบมันยังไม่ชัดไงเอามีใครจะถามปัญหาอะไรเลยทีนี้เออได้ข้อนึงนะ พูดถึงสัจานุรักษัยยะก็คือพ่อภูรรักษาวจีสัจจะใช่ไหมตอนนี้ก็คือเรามีสัจจะที่ฐานไว้ใช่ไหมตั้งสัจจะว่าขอให้เป็นปัจจัยในการพ้นทุกนี่คือสัจจารักษาสัจจะไว้ซึ่งเป็นวจีสัจจะแต่เป้าหมายเพื่อนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะใช่ไหม ที่เราสมาทานสัจจานิทาวจีสัจจาวไว้ว่าขอยเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์คอยได้มาซึ่งอนุปาฏ า, ปานปณิบาลนี่เป็นวจีสัจจ์แต่เป้าหมายสูงสุดของเราคือนิพพานซึงเป็นปรมัตถสัจจ์ส่วนจาคานุพรุย ห, หายยะก็คือว่าพอกพูนสละกิเลสก็คือเริ่มอย่างนี้หนึ่งสละอามิตใช่ไหมสละอามิตรเป้าหมายคือการสละกิเลส ใช่ไหตราบใดไม่ได้อาารมาคยานเนี่ยเราจะไม่ยอมหยุดสละกิเลสไปเรื่อยๆสละไปเรื่อยๆถึงแม้สละแล้วมันกลับมาใหม่ก็จะสละใหม่สละแล้วกลับมาใหม่ก็จะสละใหม่ก็ยังนี่อัธยาสัยในการสลักใช้ปัญญานี่ยแหละสละนี่คืออธิษฐานอธิษฐานปัญญาแล้วก็สละกิเลสทุกวันสละทุกวันเพราะรู้ว่าสละแล้วมันมาสลัก็มาใช่ แต่เราต้องสละทุกวันไมไม่ใช่เก็บทุกวันต้องตั้งใจจะสละออกสละออกก็คือสละสละอมิตรแต่เป้าหมายจริงๆคือการสละกิเลส ด, ด้วยอารัตมักอา ร, รยตผลญาณแล้วก็ศึกษาด้วยดีเพื่อให้กิเลสทั้งปวงสงบระงับอันนี้ก็คืออุปสมาทิฐานนันใช่ไหม ที่จะทำให้กิเลสมันสงบให้ได้แต่เป้าหมายสูงสุดก็คือการสงบกิเลสด้วยอรัตธรรมอรัตผุตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องตั้งอัธยาศัยไว้เอา้ามีใครจะถามอะไรไหมหมดเวลาแล้วมีใครจะถามคำถามไหมครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะได้นาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้เวลามาพอสมควรพอสมควรเกี่ยวเวลาแล้วเนี่ยก็ในวันนี้นะคะในนามของตัวแทนของมูลนิธิเผยแผ่พระัธรรมและก็ผู้ฟังธรรมที่ได้โอกาสอันดีจากท่านพระอาจารย์ที่กรณาเป็นกล่าวพระธรรมนำมาซึ่ง การพอกพูนความรู้สติปัญญาขอน o อม n นำพระธรรมเหล่านี้ให้ปรากฏลาดเลดอยู่ในจิตใจในเวลาใดที่เราลึกถึงก็ขอให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาขอกราบอนุโมทนากราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สมทบปรกละกมูแล้วก็กราบอนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกรูปที่กรุณามา นั่งเพื่อให้เราได้เจริญในกุศลทั้งปวงด้วยเจ้าค่ะในโอกาสนี้นะคะเดีย๋ยวพวกเรากลาบแล้วก็ยังไงเซียนเนื่องจากว่าเราฟังธรรมกันมาเป็นระยะเวลาใช้เวลามาพอสมควรขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งอาจจะมีการเพ่งโทษในพระธรรมบ้างในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสงฆ์บ้าง หรือแม้แต่เพลอในการที่ทำให้อภุศณคอบงามในระหว่างที่การเจริญบุญเราก็ควรที่จะได้กล่าวคำขอเข้ามานะคะเดี๋ยวพวกเราเตรียมกล่าวขอคำเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ลาพระอาจารย์พร้อมกันค่ะตั้งใจกล่าวคำขอเข้ามาด้วยบทกายเยนะแต่เป็นการขอเข้ามาด้วยใจจริงๆว่าข้าพเจ้าเนี่ยผิดพลาดไปประการใดทั้งในอดีต จนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ในอดีตก่อนหน้านั้นอาจจะประมาทด้วยด้วยสภาวะจิตที่มันเป็นไปตามนิตามนิสัยแต่ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นหนทางแห่งการประมาททาลายปัญญาของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอเข้ามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเพื่อทาให้ การปรากฏปรากฏขึ้นในยานปัญญาหลังจากนี้เนี่ยเป็นไปโดยไม่ติดขัดไม่ขัดข้องค่ะกราบค่ะกาเยนะวาจายะวเจตาสาวาพุทธท ก, กุกรมมันปกะตัง ม, มยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเลวิตุวะพุทธ กายนาวาจายวัจเจตาสาวาธรเมปุกำมมังปกตังไมยาหยังธรมโมปฏิคันหาตุปเจยันต์ตการันตเลสัรลาวิตุงวะธรเมกายนาวาจายวัจเจตาสาวะกุกำมมังปกตังไมยาหยัง สังโคปติคันธาตุอาจยันตังกาลันตาเลสัมรวิตุมวัสังคีอาลาหังสัมมาสัมพุทโผะขาวาพุทธังผะขาวันตังอภิวาเทมิสวาทตุผะขาวตาธัรมโม หามังนามาสตานสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคสังขังนะมมนอุทิศส่วนกุศลกันก่อนตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกัน สัตว์ทั้งหลายาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำน บ, บัดนี้และหหแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณ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 อยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวกำมีขันสี่ขันกําลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอ ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้นนนขอเทวดาทั้งหลายโปรด บ, บอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพรเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปว ง, ง, งปจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมือม่อจนถึงพระนิพาพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้ น, น, อ น, นจองสำเร็จเธ อ, ส, เเธอสาธุสาธุสาธุาาอขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากคุณของพระรถนตรัย คุณของพุทธรัตนะธรรมรัตนาะสังครัตนาะจงเป็นปัจจัยคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายอุปสรรคของเราท่านทั้งหลายจงสามารถเป็นปัจจัยแก่การเดินทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่ประชุมลงในศีลสมาธิปัญญาออกจากบาปอากุศลรละธรรมลามกเป็นต้นได้ สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิในอัปนาสมาธิในวิปัสนา ญ, ญาณทุกระดับที่สุดจริงๆสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคในผลจนสามารถได้ประชุมในอาราธมรรคอาราธผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พ้นจากวัฏทุก์ด้วยการทุกท่านทุกประการเถอสาธุสาธุเรียบร้อยแล้ว อืม mm.